จนมาถึงสวนส่วนหนึ่งซึ่งสวนนี้สภาพมันรกกว่าส่วนอื่นที่เดินผ่านเหมือนไม่มีคนดูแลมานานมากยาก็ขึ้นรกสูงประมาณหัวเข่าได้เสียงจิ้งหรีดที่ร้องในส่วนนี้โอ้ร้องดังดีเหลือเกินสองคนอาหลานก็เดินด้อมด้อมมองๆสองไฟหาดูว่ามันร้องอยู่ตรงไหน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 ไฟที่เราใช้เป็นพวกไฟแบตเตอรี่ที่ใช้หลอดแบบมีสายสวมที่หัวแล้วก็หลอดไฟจะอยู่ตรงหน้าผากก็คงพอจะมองภาพออกนะคะระหว่างที่2ไฟหาจิ้งหรีดอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งมะปรางนี่มันเขย่าอย่างแรงดังสู้ซ่าสู้ซ่าเลยทางที่ในตอนนั้นไม่มีลมค่ะสองคนอาหลานก็เลยพร้อมใจกันยกไฟ2ขึ้นไปบนต้นมะปรางแต่ก็ไม่มีอะไร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 แต่ย้าตรงนั้นไม่ยุบเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่จะทันได้คิดอะไรต่อก็ได้ยินเสียงใบของมะปรางเขย่าดังขึ้นอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่มีแค่เสียงเขย่าค่ะมีเสียงคางแบบฮืดฮืดอย่างนี้ด้วยนคะคะสองคนอาหลานก็เลยส่องไฟขึ้นไปดูพร้อมๆกันคราวนี้แหละนคะคะเห็นเต็มตาเลย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 พลันถลึงตามามองที่อากับหลานสองคนแล้วก็พูดเสียงเย็นเย็นหลอนๆบอกเอากุลงไปน่อยแล้วก็หัวเราะอย่างสะใจไม่พอแค่นั้นพูดต่อเออถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวกุลงไปเองก็ได้พูดจบร่างนั้นร่วงลงมาดังตุ๊บค่ะเสียงเดียวกันกับที่ได้ยินในตอนแรกเท่านั้นแหละ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 มหาวิทยาลัยราชภัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะคะมีอายุมากกว่า100ปีโดยเริ่มแรกในปีพุทธศักราช2439ก่อตั้งเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสถานที่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยนั้นเคยเป็นจวนและที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าท่านช่วงบุญนาคผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อต้นราชการที่ห้ามาก่อนแต่ที่แห่งนี้คุณผู้ฟังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานเรื่องลึกลับที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างถ้าใจกล้าใจแข็งพอก็เข้ามาฟังได้เลยนะคะเริ่มต้นจากเรื่องที่1กันค่ะ เป็นอาคารวิเศษสุภวัตหรือว่าอาคารดนตรีไทยซึ่งดรสุดารัชชันเลขารองอ ธ, ธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล่าเรื่องของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ว่าอาคารวิเศษสุภวัตเป็นอาคารดนตรีไทยมีเสียงบรมครูหลายชนิดมีเครื่องเล่นดนตรีไทยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นระนาดเอกกลองปี่คลุยคล้อง เมื่อสมัยก่อนนี้เคยเป็นหอพักชายมีนักศึกษาโดดออกไปเที่ยวด้านนอกหลายครั้งแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่นักศึกษากลุ่มนั้นกำลังจะหนีออกไปเที่ยวกันแต่กลับพบว่ามีเจ้าพ่อก็คือท่านช่วงบุญนาคยืนถือดาบขวางใส่ชุดสีขาวกัน้นไม่ให้ออกไปด้านนอกและทำสีหน้าขึงขังดูน่ากลัวมา ก, ก น, นะคะ กลุ่มนักศึกษาก็ได้ไปขอขมากับเจ้าพ่อจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าดโดดออกไปเที่ยวด้านนอกอีกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีคนงานนักการพันโรงที่พักอยู่บริเวณตึกดังกล่าวในเวลากลางคืนก็มักจะได้ยินเสียงระนาดหรือไม่ก็เป็นดนตรีไทยเต็มวงแทบจะทุกคืนบางครั้งอาจารย์ประจำภาควิชายังเคยเห็นชายร่างใหญ่กายำเดินผ่านไปมาในห้องปฏิบัติ แต่ว่าพอเดินออกมาดูพบว่ากุญแจที่คล้องอยู่หน้าประตูไม่ได้เปิดแต่อย่างใดบางครั้งที่ไฟนะคะก็ดับเองก็จะได้ยินเสียงดนตรีไทยออกมาเป็นระยะแทบทุกวันเช่นกันสถานที่ที่สองในมหาวิทยาลัยราชพัฒนบ้านสุเนจเจ้าพระยาค่ะคือสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมและหอประชุม ถัดมาเป็นสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมและหอประชุมที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าพระภิกษุสงฆ์หรือว่าผู้มีสัมผัสที่6ที่เข้ามาบริเวณห้องประชุมจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในห้องประชุมเนี่ยมีวิญญาณของเจ้าพ่อสถิตยอยู่แต่ที่เจอกับตัวเองเลยก็มีอาจารย์สอนพิเศษท่านหนึ่งนะคะท่านมาสอนวิชาขับเสพาระหว่างที่ท่านเดินไปเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าอยากฟังเสพาจังขยับกลับให้ด้วยนะ อาจารย์ก็เลยเดินกลับมาที่ห้องประชุมและก็ให้นักศึกษาทุกคนเงียบค่ะจากนั้นอาจารย์ก็ขับเสภาจนจบเพลงสถานที่ที่สามคือบ้านเอกนาคค่ะ สำหรับบ้านเอกนาที่ถูกเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการว่าบ้านผีสิงนั้นสร้างขึ้นในพุทธศักราช2462ตรง ก, กันกับในสมัยรัชกาลที่6เป็นบ้านเรือนไทยทรงปั้นหยาของอพันพลตำรวจเอกพระยาประสงค์สัพพการหรือว่ายวงเอกนาตําแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นต่อมาบ้านหลังนี้ก็ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรสาวก็คือคุณประยูนเอกนาซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ แต่เนื่องจากบุตรสาวของท่านไม่มีทายาทสืบสกุลค่ะบ้านหลังนี้ก็เลยตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาตามพินัยกรรมที่ได้ระบุไว้ว่าหากไม่มีทายาทสืบต่อแล้วก็ให้บ้านหลังนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพญาณเวลานั้นนะคะ ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้านให้สมบูรณ์เหมือนเดิมทั้งภายในตัวบ้านและก็ภูมิทัศน์โดยรอบโดยใช้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝั่งทนบุรีภายในพิพิธภัณฑ์ศูนย์กรุงทนกรุงทนบุรีศึกษาประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงทั้งหมด10ห้อง เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกที่เล่าต่อกันมาก็คือนักศึกษาที่เข้ามาถ่ายรูปบริเวณบันไดด้านหน้าพอถ่ายรูปเสร็จนำรูปไปล้างค่ะแล้วก็นำมาดูพบว่าภายในภาพนั้นเนี่ยมีหญิงชรานุ่งผ้าจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มกำลังก้าวขึ้นไปบนบ้านหลังนั้น อาจารย์ก็นำรูปของคุณประยูนยมาเทียบกับรูปที่ถ่ายไว้พบเลยนะฮะว่าลักษณะและก็รูปร่างเนี่ยพร้อมกับใบหน้าคล้ายคลึงกับท่านมากหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประมาณสองาครั้งนะคะ นายสุชาครีกอเกาะเกียรติตระกูลค่ะหัวหน้าอาคารแล้วก็สถานที่เล่าว่าตอนที่เข้ามาทํางานในช่วงแรกๆเลยบริเวณด้านหลังอาคาร100ปีสีสุริยะวงศมีกอกล้วยตะนีนรกมากทางอธิบดีจึงมีคําสั่งให้ตัดกอกกล้วยนั้นทิ้งโดยมีคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาตัดหลังจากตัดต้นกล้วยตะนีได้1ต้นคนงานดังกล่าวก็กลับบ้านค่ะเมื่อกลับถึงบ้านคนงานก็แสดงกิริยาอรารวาดโวยวายเหมือนถูกผีเข้าญาติก็ ไปหาร่างทรงคนงานบอกว่ามาตัดเขาทําไมเขากําลังตั้งท้องอยู่ต่อไปนี้ห้ามคนงานคนนี้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยอีกเด็ดขาดผมและคนงานก็ได้ไปขอขมาหลังจากขอขมาเสร็จก็ไปดูที่ลําต้นของต้นกล้วยก็พบว่ามียางคล้ายกับเลือดซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาจึงได้ทําเป็นสารเพียงตาแล้วก็ใช้ผ้าสามสีผูบริเวณกอกล้วยซึ่งนายสุชาครีกล่าวไว้แบบนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ทราบาว่าต้นกล้วยดังกล่าวเป็นต้นกล้วยที่นํามาจากพิธีไหว้ครูแล้วก็นํามาลงไว้ในบริเวณนี้ค่ะสถานที่ที่4คือห้องโถงอาคารวิเศษสุภวัตนายธนาสารประกายสันติสุหรือว่าเสียนะคะอายุ23ปีซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ค่ะโปรแกรมวิชาดนตรีไทยได้เล่าถึงประสบการณ์นะคะว่าขณะที่ศึกษาอยู่ปีสองวันที่เกิดเหตุนี่เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งต้องออกไปแสดงงานด้านนอกอาจารย์นัดกันไว้8โมงเชา้าก็เลยเข้ามาที่อาคารวิเศษสุภวัตเพื่อซ้อมดนตรีไทยกับเพื่อนก่อนขึ้นแสดงจริงระหว่างนั้นมีเพื่อนไปเข้าห้องน้ำหลังจากทําธุระเสร็จต้องเดินผ่านห้องโถงที่มีเครื่องดนตรีไทยซึ่งเรียกว่าเครื่องมอนค่ะประกอบไปด้วยคองมอญสี่วงระนาดเอกระนาดทุ้มเปิงมงังคอกตะโพนซึ่งก็มีอายุตั้งแต่รัชกาลที่ห้า จังหวะที่เดินกลับนั้นพอดีประตูห้องโถงเปิดอยู่สายตาที่มองเข้าไปในห้องโถงพบกับชายผิวเข้มใส่เสื้อขาวนุ่งโจงกระเบนนั่งมองหน้าอยู่จึงรีบวิ่งออกมาหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อย่างเดียวกันอีกหลายครั้งจนกระทั่งอาจารย์ซื้อเครื่องมอนชุดนั้นมาเล่าที่มาของเครื่องมอนให้ฟังว่าเครื่องดนตรีชุดนี้เจ้าของเขาตายแล้วแต่ว่าลูกนาเครื่องดนตรีมาขายเจ้าของเขาหวงเครื่องดนตรีชุดนี้มาก เสียยังเล่าต่ออีกนะฮะว่าเมื่อครั้งงาน117ปีบ้านสมเด็จเจ้าพยาก็ได้มีการแสดงเยอะมากซึ่งทุกคนต้องแสดงส่วนใหญ่ต้องขึ้นมาแต่งตัวที่ห้องโถงดังกล่าวด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะเข้าไปเล่นเครื่องดนตรีชุดนี้แล้วเล่นกันอย่างแรงหลังจากเสร็จงานผู้หญิงคนนั้นก็กลับบ้าน ระหว่างนอนอยู่รู้สึกอึดอัดจึงลืมตาขึ้นพบว่ามีผู้ชายผิวเข้มใส่เสื้อขาวนุ่งโจงกระเบนสีแดงขึ้นไปเหยียบอกแล้วก็ชี้หน้าพอวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็มาปรึกษาอาจารย์ก็เลยให้ผู้หญิงคนนั้นจุดธูปขอขามากลางแจ้งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักการพันโรงบางคนค่ะเห็นเจ้าพ่อที่บริเวณศาลด้านหน้าอาคารดังกล่าวนะคะบางคนก็ได้ยินเสียงบางคนก็เห็นเป็นเงา ซึ่งน้องเสียโดยส่วนตัวบอกว่าเชื่อเรื่องแบบนี้เพราะว่าเคยบนกับเจ้าพ่อไว้ว่าขอให้เรียนจบตามเกณฑ์ซึ่งในช่วงแรกๆก็มีปัญหารเรื่องการเรียนหลายอย่างหลังจากบนไปแล้วเกรดก็เริ่มทยอยออกเรื่อยๆผมก็ซื้อดอกดาวเรืองกับเบบซี่ไปถวายเจ้าพ่อน้องเสียพูดให้เราฟังนะคะสถานที่ที่5ค่ะ ศาลพระภูมิประจำสถาบันนอกจากนั้นยังมีศาลพระภูมิประจาสถาบันหรือที่เรียกกันว่าศาลพ่อปู่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะนักศึกษาใหม่ทุกรุ่นจะต้องเคารพสักการะซึ่งเชื่อกันว่าหากนักศึกษาคนใดต้องการที่พึ่งพิงทางใจในเรื่องต่างสามารถขอพรกับพ่อปู่ได้แล้วก็สุดท้ายค่ะชั้น15ตึกคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีนักศึกษาหญิงคนนึงถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าตายที่ชั้น15ตึกคณะนิเทศาศาสตร์ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นนั้นคนเดียวในช่วงเย็นเพราะว่าวันดีคืนดีอาจจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือบางครั้งค่ะเข้าห้องน้ำแล้วก็มองออกไปที่กระจกก็จะเห็นผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่แต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่พบใคร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพัฒสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำการบูรณะมหาวิทยาลัยใหม่เกือบทั้งหมดซึ่งตอนนี้เหลือตึกเก่าแก่อยู่สามตึกเท่านั้นได้แก่สำนักศิลปะวัฒนธรรมห อ, อแล้วก็หอประชุมบ้านเอกนาคแล้วก็อาคารวิเศษสุภวัฒน์นะคะเรื่องที่บีนำมาเล่าให้ฟัง ก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าเราเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงก็ขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันค่ะมาทิ้งท้ายกันที่มหาวิทยาลัยรงังสิตนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่หอนอกค่ะเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาเกี่ยวกับห อ, อนอกแถวมหาวิทยาลัยรงังสิตมันมันช่างมีตำนาน เหลือเกินจนเราไม่รู้ว่าเรื่องเนี่ยได้ถูกปั้นแต่งหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆบ้างไปลองฟังกันเลยละกันนะคะรุ่นพี่เล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาไม่นานนี้เองเป็นเรื่องของเพื่อนคนนึงเหตุเกิดขึ้นที่หอนอกแถวมอรังสิตมีอยู่คืนนึงค่ะเขานอนอยู่บนเตียงกำลังจะหลับแล้วละ่ะแต่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆทั้งที่วันนั้นนอนอยู่คนเดียวในหอ เขาก็อธิบายให้ฟังบอกว่ า, ารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวก็เลยลืมตาขึ้นกลับเจอค่ะผู้หญิงผมยาวมืดทมึนเลยกำลังยืนมองเขาอยู่ที่หัวเตียงด้วยความตกใจก็เลยกรีดลั่นคลุมโปงหลับตาปีสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงกรีดดังออกมาจากห้องข้างล่างเป็นทอดๆต่อๆกันไปซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยทุกห้องในแนวดิ่งโดนผีหลอกกันหมด แล้วจะมีผีตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไม่มีใครยืนยันได้แต่ว่าก็จะมีการแจ้งเจ้าของหอพักว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งเจ้าของหอพักก็เลยตั้งสารเจ้าที่ขึ้น แต่ก็ใช่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปใครทนอยู่ได้ก็อยู่เลยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้จักรยานในการรับฟังด้วยหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องเล่านะคะมีตำนานสยองขวัญสันประสาทมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเรานะคะได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้หรือว่าที่ Facebook นะคะแฟนเพจพระเจอผีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟังในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใดกระดาบขออภัยมาอย่างสูงด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กับบีด้วยหมดเวลาของบีแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ